วันนี้เป็นวันพุทธที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันมาคบูชาวันมาคาบูชานี้มีเหตุการมีเหตุการที่สำคัญปรากฏขึ้น อยู่สี่เหตุการณ์ด้วยกันคือหนึ่งเป็นวันเพนเดือนสามสองเป็นวันที่มีพระภิกษุหนึ่งพันสองรอห้าสิบรูปได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าจากทิศ ต, ต่างๆโดยไม่ได้นัดหมายกันเอาไว้ก่อนสาพระภิกษุทั้งหนึ่งพันสองอห้าสิบรูปนี้ เป็นพระภิกษุที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้และสี่พระภิกษุทั้งหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปนี้ล้วนเป็นพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอย่างสมบูรณ์นี่คือองค์ประกอบของวันมาฆบูชา ในวันมาค้าบูชานี้พระพุทธเจ้าได้ส่งแสดงพระธรรมที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาที่สรุปได้อยู่สามข้อใหญ่ๆด้วยกันก็คือ 1. ให้ละการกระทำบาปทั้งปวง 2. ให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม 3. ให้ชำระจิตใจให้สอาดบริสุทธิ์ ปราศ จ, จากความโลภความโกรธความหลงนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามที่ได้มาตัดสั้และมาประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกทุกๆพระองค์นี้จะสอนเหมือนกันหมดสอนวิธีกำจัดความทุกข์สอนวิธีสร้างมรรคผลนิพพาน ให้เกิดขึ้นมาภายในใจเพื่อที่จะได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดที่ได้เวียนว่ายตายเกิดมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานถ้าได้ปฏิบัติทำทั้งสามข้อนี้แล้วความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจก็หายหมดสิ้นไปใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์เป็นพระนิพพานขึ้นมา ไม่ต้องกลับมาเวียน่ายตายเกิดเด็กต่อไปนี่คือสาระสำคัญของคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมไว้อย่างมากมายในพระไตรปิฎกนี้ก็มีรวบรวมไว้ประมาณแปด0มืสี่พันพระธรรมขันธ์แต่ธรรมะทั้งหมดเหล่านี้มีสาระใจความ เป็นอันเดียวกันคือการดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปทรงเปรียบเหมือนกับน้ําในมหาสมุทรไม่ว่าจะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ตามน้ําในมหาสมุทรนี้ก็จะมีรสชาติอันเดียวกันก็คือรสของความเค็มคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะมีมากมายเพียงไรก็ตาม คำสอนของพุทธเจ้านั้นก็มีเป้าหมายอยู่เป้าหมายเดียวคือกําจัดความทุกข์ที่มีในใจให้หมดสิ้นไปผู้ใดที่มีความปรารถนาที่ต้องการจลพ้นจากความทุกข์ของใจก็จําเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าทรงสอนไว้เท่านั้นไม่มีทางอื่นทางเดียวเท่านั้นคือทางของ ของการละการกระทำบาปทั้งปวงของการสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมของการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะการกระทำเหล่านี้จะกําจัดเหตุที่สร้างความทุกข์ให้กับใจให้หมดสิ้นไปเช่นข้อที่หนึ่งให้ละการกระทำบาปทั้งปวงเพราะบาปนี้แหละเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจ บาปคืออะไรบาป ก, ก็คือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเพณีการพูดปดและการดื่มสุรายาเมาต่างๆการกระทำเหล่านี้เวลาที่ได้ทำไปแล้วจะสร้างความทุกข์ให้กับใจในเบื้องต้นในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่แต่พอที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว บาปที่ได้ทำเอาไว้นี้ก็จะเป็นผู้ดึงใจให้ไปเกิดในอบายไปอยู่ในภพชาติที่มีแต่ความทุกข์มากกว่าความสุขอบายก็มีอยู่สี่คือหนึ่งเดรัชานเปรดอสุรกายและนรกเป็นที่ไปของผู้ที่กระทำบาปแต่ถ้าสามารถรักษาศีลห้าได้ไม่กระทำบาปหรือทำบา ถ้าทำบาปบ้างก็ต้องเอาการทำบุญมาช่วยดึงเอาไว้เพราะเวลาที่ร่างกายตายไปมีบุญกับบาปนี้จะเป็นผู้ที่จะมาดึงดวงวิญญาณให้ไปสู่สุขคติหรือไปสู่ทุกขติดังนั้นนอกจากการละการกระทาบาปแล้วจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการกระทำบุญด้วยคือการ คือคำสอนข้อที่สองที่สอนให้สร้างบุญสร้างกุศลให้ถึงพร้อมเพราะว่าถ้าเราไม่มีบุญเลยไม่ได้ทําบุญเลยแล้วเราคิดว่าเราจะสามารถรักษาศีลไปได้ตลอดแต่ถ้าเราพลาดไปไม่สามารถรักษาสินในบางครัง้งบางคราวได้ถ้าเราไม่ได้ทําบุญเอาไว้ไว้ต่อต้านไว้คอยดึงใจไม่ให้ไปกับกําลังของบาป เวลาตายไปบาป ก, ก็จะดึงเราไปสู่อบายทันทีแต่ถ้าเราทำทั้งสองส่วนคือละการกระทำบาปให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถจะทำได้แล้วก็พยายามสร้างบุญสร้างคุศลอยู่เรื่อยๆ เ, เช่นทำบุญตักบาตก็ดีทำบุญทาทานบอยจากทรัพย์ช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเกลือร้อนก็ดีอะไรอย่างนี้ เมื่อมีการกระทำบุญอย่างต่อเนื่องบุญก็จะเป็นผู้ที่จะดึงใจให้ไปสู่สุคติก็คือให้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆถ้าบุญมีมากกว่าบา<ม>บุญก็ยังจะ<ม>บาปก็ยังจะไม่สามารถสแสดงผลได้บาปจ ะ, สะแสดงผลได้ก็ต่อเมื่อเวลาที่บุญนี้มีกำลังน้อยกว่าบา ดังนั้นจึงควรทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปคือรักษาศีลห้าไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ละเว้นจากการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการ <c oughs> พูดปดและดื่มสุรายาเมาต่างๆ <c oughs> ถ้าเราสามารถทำได้โอกาสที่เราจะไปอบายนี้ก็จะยาก แล้วถ้าเรามีความพยายามหรือมีการกระทาบุญอยู่อย่างสม่าเสมอทาบุญทําทานไปเรื่อยๆทําให้มันติดเป็นนิสัยไปนี่ mm hmm. เช่นชาวบ้านนี้จะมีโอกาสได้ทําบุญทุกวันชาวบ้านที่มีวัดมีพระผ่านมาบิณฑบาต mm hmm. เขาก็จะมีอาหารอะไรใส่บาตรไป mm hmm. ในแต่ละวันพอได้ทําไปอยู่เรื่อยๆมันก็จะติดเป็นนิสยัย วันวันไหนที่ไม่ได้ทำบุญก็จะรู้สึกเหมือนกับขาดอะไรไปบางคนบางครั้งใส่บาตรไม่ทันก็ต้องขับรถมาที่วัดเพื่อมาใส่บาตรที่วัดแทนเพราะมีความรู้สึกว่าขาดความสุขไปความสุขที่ได้จากการทำบุญบุญนี้จะเป็นผู้ที่ให้ความสุขกับใจส่วนบาปนี้จะเป็นผู้ให้ความทุกข์กับใจ ถ้าบุญมีมากกว่าความสุขในใจก็จะมีมากกว่าความทุกข์ใจถ้าบาปมีมากกว่าบุญความทุกข์ใจก็จะมีมากกว่ากว่าความสุขใจดังนั้นขอให้เราพยายามล ด, ดการกระทําบาปให้น้อยลงไปเรื่อยๆพยายามรักษาศีลให้มากขึ้นให้บ่อยขึ้นอยู่เรื่อยๆแล้วหมั่นทำบุญทำทาน เมื่อทำใจให้มีความสุขบุญนี่แหละเป็นทรัพย์ภายในที่จะเป็นที่พึ่งของใจต่อไปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้าไม่มีบุญนี้ก็จะไปแบบคนขอทานไปอยู่แบบดวงวิญญาณที่หิวโหวยต้องมาคอยรับส่วนบุญของญาติพี่น้องของเพื่อนสนิทมิตรสหาย แต่ถ้าได้ทำบุญอยู่เรื่อยๆแล้วก็<ม>จะมีทรัพย์ภายในติดตัวไปทรัพย์ภายในนี้ก็จะทำให้ใจได้ไปเป็นเป็นเทพเป็นเทวดากันแล้วก็จะเสวยบุญไปจนกว่าบุญนั้นจะหมดกลาลังลงแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ผู้ที่ กลับมาจากสวรรค์นี้จะเป็นผู้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีวาสนาบารมีมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่มั่งคั่งมีอาการสามสิบสองที่ครบบริบูรณ์มีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวนานเป็นต้นต่างกับคนที่มาเกิดจาก ที่ต่ำคือมาจากบายมาจากการเป็นเดรัจฉานบ้างจากการเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือมาจากนรกตวกนี้จะมาเกิดแบบเป็นผู้ด้อยวาสนาอาภัพวาสนามีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามผิวพรรณไม่ผ่องใสมีอาการไม่ครบส2มสสองมีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีอายุสั้นเป็นต้น นี่คืออ น, นิสงของการทำบุญธรรมบาปที่จะตามมาต่อไปที่ไม่มีใครสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้หรือห้ามได้เพราะนี่คือกฎแห่งกรรมตามที่พระเจ้าได้ส่งสอนให้ชาวพุทธเราเหมอนละลึกเกินตนเองอยู่เรื่อยว่าเรามีกรรมเป็นของของเราไม่ว่าเราจะทำกรรมวันใดไว้ จะเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนตายตัวที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสั้นทรงเห็นจึงนำม า, มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่มีความปรารถนาที่จะอยู่อย่างมีความสุขทั้งในภพปัจจุบัน และในพบที่จะตามมาต่อไปอย่าประมาทเรื่องบุญเรื่องบาปเ<ม>พราะเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เป็นนิยาย<ม>ใครทำอันไดไว้ทำบุญหรือทำบาปไว้ก็จะต้องไปเป็นผู้รับผลบุญผลบาปนั้นต่อไป<ม>นี่คือขั้นที่หนึ่งที่สองของการรักษาจิตใจให้อยู่อย่างมีความสุข ให้มีความทุกข์น้อยกว่าความสุขแต่ยังไม่ทำให้หมดหมดทุกข์หม ด, หมดายได้ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆอยู่ตายจากภพนี้ไปก็ไปรับผลบุญหรือผลบาปพอผลบุญผลบาปนั้นหมดแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาทำบุญทำบาปใหม่ ก็ยังจะต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกครั้งที่มาเกิดก็จะต้องมาเจอกับความทุกข์ต่างๆที่ที่มีกับร่างกายเช่นเมื่อมาเกิดแล้วไม่ช้าก็แล้วร่างกายก็ต้องแก่ลงไปเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ต้องตายไปแล้วก็ต้องมาเจอกับการพัดพากจากสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆที่เราลากเราชอบ เราจะต้องมาเจอกับบุคคลต่างๆหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เราไม่รักไม่ชอบก็จะมีความทุกข์อยู่เรื่อยๆถ้าตามใดยังมีการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ถ้าไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็จำเป็นที่จะต้องทำข้อที่สมที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสอนไว้คือชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ กำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่มีที่เป็นต้นเหตุของการดึงให้จิตใจกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆสิ่งที่ดึงให้ใจกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆก็เกิดตันหา<ม>ทั้งสามได้แก่กรารวตันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหา<ม>ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิด<ม>ก็ต้องกำจัด กามตันหาภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหาให้หมดสิ้นไปจากใจให้ได้และการที่จะทำให้การตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาหมดไปจากใจก็จาเป็นจะต้องมีมักมักก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการกำจัดความอยากทั้งสามนี้ให้หมดสิ้นไปจากใจ มักที่ผู้เจ้าได้ส่งแสดงไว้ก็มีอยู่8ดข้อด้วยกันที่เรียกว่ามักที่มีองค์8ดมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกปรความดำริชอบสัมมากรมมันโตการกระทำชอบสัมมาวาจาการพูดชอบสัมมาอาชิโอาชีพชอบ สัมมาวายาโมความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกรู้ชอบสัมมาสมาธิความตั้งมั่นของจิตชอบต้องมีมรรคที่มีองค์แปดส่วนนี้ถ้ามีมรรคที่มีองค์แปดอยู่ในใจใจก็จะมีพลังมีกำลังที่จะสามารถหยุดความอยากคือการละทันหาความอยากเสรรูปเสียงกลิ่นลดผลตภะ ภาวะตันหาความอยากเสพความสงบของรูปฌปานและมีภาวะตันหาความอยากจะเสพความสงบของอรูปฌปานถ้ากำจัดกามาตันหาได้ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในกามาพบถ้ากำจัดภาวะตันหาความอยากจะเสพรูปฌานได้ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในรู ป, ปรพบถ้าสามารถกำจัด วิภาวะตัญหาได้ความอยากที่จะเสพอรูปฌานได้ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในอรูปภพนี่คือภพทั้งสามที่สัตว์โลกที่ยังมีตัญหาความอยากเหล่านี้อยู่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆถ้ามีมรรคแปดจเจริญมรรคแปดได้ก็จะสามารถที่จะหยุด การกลับมาเกิดได้ดังนั้นหน้าที่ของผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์จึงต้องมาเจริญมรรคกันมาปฏิบัติธรรมกันมรรคก็มีแบ่งเป็นสามส่วนด้วยกันคือศีลสมาธิและปัญญาเองศีลก็คือสัมมากัมมันโตการกระทําที่ถูกต้องก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการม สามมาวาจาก็คือการไม่การไม่พูดปดการไม่พูดคำหยาบการไม่พูดส่อเสียดการไม่พูดเพ้อเจนี่คือวาจาที่ถูกต้อง mm hmm. พูดแต่ความจริงพูดแต่วาจาที่สุภาพเรียบร้อยพูดแต่สิ่งที่มีคุณประโยชน์มีสาระพูดเพื่อให้รักกันสมมามัคคีกัน อันนี้เป็นวาจาชอบอยู่ในศีลอยู่ในศีลห้าแต่ศีลห้านี้ไม่ได้บังคับให้พูดไม่ได้ห้ามไม่ให้พูดคำหยาบไม่ให้พูดเพ้อเจอ้อไม่ให้พูดส่อเสียดเพียง แ, แต่ไม่ให้พูดปดให้พูดความจริงแล้วก็ไม่ให้เดื่มสุรายามเมาอันนี้ก็จะทำให้ใจนี้สามารถ ยับยังความอยากที่จะไปทำบาปได้บางทีเราอยากได้อะไรอยากจะเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสชนิดใดแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะไปหามาได้โดยวิธีที่ไม่ต้องทำบาปก็จะต้องไปทำบาปแต่ถ้าเรามีศีลเรารักษาศีลไว้ได้เราก็จะห้ามใจห้ามความอยากอันนี้ได้เราก็จะได้ไม่ต้องไปรับผลบาป ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดนับายแล้วก็ข้อต่อมาก็จากศีลก็คือมาฝึกสมาธิสมาธินี้ก็มีองค์ประกอบอยู่สามองค์ประกอบด้วยกันคือสัมมาสัมมาวายามโมความเพียรชอบสัมมาสติการละลึกรู้ชอบสัมมาสมาธิการตั้งมั่นของจิตชอบอันนี้ต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการเจริญสติ ในเบื้องต้นสําหรับผู้ที่ต้องการจะหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปเบื้องต้นต้องอาศัยกําลังของสติและสมาธิในการหยุดความอยากต่างๆไว้ชั่วคราวก่อนแล้วพอหยุดได้ด้วยกําลังของสติสมาธิแล้วจึงค่อยไปใช้กําลังของปัญญาคือสัมมาทิติสัมมาสังกรปร์ตามลําดับต่อไป ในเบื้องต้นก็ให้รักษาศีลห้าให้ดีหรือศีลแปดถ้าอยากจะปฏิบัติธรรมอย่างรวดเร็วยางจะไปขึ้นทางด่วนก็ต้องรักษาศีลแปดเพราะเมื่อรักษาศีลแปดก็จะมีเวลาให้กับการปฏิบัติได้มากขึ้นเพราะถ้ารักษาเพียงแค่ศีลห้านี้ยังจะสามารถไปทำกิจกรรมทางกรรมได้อยู่ทางการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพัฒได้อยู่ ศีลห้านี้ไม่ได้ห้ามไม่ให้เสพไม่ได้ห้ามไม่ให้ร่วมหลับนอนกับกับคู่ครองของตนแต่ถ้าถือศีลแปดนี้ก็จะห้ามไม่ให้ร่วมหลับนอนกับใครเลยเพื่อที่จะได้เอาเวลาที่เป็นร่วมหลับนอนกับผู้นี้มาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อหยุดตัณหาความอยากที่มีในใจนั่นเองการปฏิบัติต้องเด่นจะต้องมีเวลา ที่ต่อเนื่องกันถ้านานๆปฏิบัติสักครั้งหนึ่งวันละชึ่งชั่วโมงชั่วโมงนี้กำลังจะไม่ไม่พอที่จะไปหยุดความอยากได้ไม่สามารถที่จะทำใจให้เข้าสู่สมาธิได้ mm hmm. การปฏิบัติสตินี้จาเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนเลย mm hmm. เช่นวันพระนี่พระเจ้าทรงสอนให้สาธุชนพุทธบ ร, ริษัทผู้เป็นคารวะผู้คองเรือนนี้ ให้ไปอยู่อดอยู่แบบนักบวชหนึ่งวันกับหนึ่งคืนเอาเวลาหนึ่งวันกับหนึ่งคืนนี้มาเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทําใจให้สงบเพื่อหยุดความอยากไว้ชื่อคราวถ้ามีการเจริญสติทั้งอย่างสม่ําเสมอตั้งแต่ตื่นจนหลับโอกาสที่จะทําให้จิตรวมเป็นสมาธินี้ก็จะเป็นไปได้ง่ายกว่าถ้าไม่มีเวลาให้กับการเจริญสติเลย พอถึงเวลาก็จะมานั่งเลยเนี่นั่งไปไม่นั่งไปได้ไม่นานก็จะทนนั่งต่อไปไม่ได้เพราะสติไม่มีกําลังพอที่จะสู้กับความอยากนั่นเองความอยากที่จะออกไปดูไปฟังไปกินไปดื่มอะไรนี้มันจะคอย ต, อต่อสู้กับสติที่พยายามที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบอย่ังนั้นถ้าอยากจะนั่งสมาธิเพื่อให้เกิดผล จึงจำเป็นที่จะต้องมีเวลาให้กับการเจริญสติต้องมีวันพระวันปฏิบัติธรรมวันที่เราไปปีกว่ย์ไปอยู่ตามสถานที่สงบสงัดห่างไกลจากสิ่งที่รบกวนใจต่างๆเช่นรูปเสียงกิ่นรสโผฏฐะที่จะมาคอยดึงใจให้เราไปเสพไปหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่มีสติที่มีกําลังพอเราก็อาจจะสู้กับความอยาก ที่จะมาดึงไปไม่ได้แต่ถ้าเรามีความเพียรพยายามที่จะเจริญสติอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ลืมตาขึ้นมามเช่นเวลาเช่นใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธนี่คือวิธีการเจริญสติอย่างหนึ่งที่เรียกว่าพุทธานุสติใช้พระพุทธเจ้าเป็นที่เจริญสติให้เราเลิกถึงพระพุทธเจ้าด้วยคำบริกรรมพุทโธพุทโธ พอเราลืมตาขึ้นมาเตนขึ้นมาแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงรูปรเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะถ้าไปคิดถึงรูปรเสียงกลิ่นรสแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วความอยากที่จะไปเสพไปเกี่ยวข้องกับรูปรเสียงกลิ่นรสก็จะเกิดขึ้นมาพอเกิดความอยากแล้วใจที่ที่ไม่วุ่นวายก็จะเริ่มวุ่นวายขึ้นมาใจที่ไม่ร้อนก็จะเริ่มร้อนขึ้นมา ถ้าไม่ไม่ควบคุมไม่หยุดมันด้วยสติเดี๋ยวความวุ่นวายความร้อนของใจ mm. ก็จะทำให้ไม่มีสไม่มีความสามารถที่จะทนอยู่ปฏิบัติธรรมได้ต่อไป mm. แต่ถ้ามีความเพียรพยายามที่หมันจเจริญสติอยู่เรื่อยหมันบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆ mm. ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามให้มีคำบริกรรมพุทโธไปในใจเดินยืนนั่งนอนด้วยธรรม ภารกิจที่จําเป็นเช่นอาบน้ําอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารทําความสะอาดอะไต่างๆในในขณะที่ไปอยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรมก็พยายามใช้พุโทโธคอยควบคุมใจอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่อ ง, เ ร, อ ง, เ, รองเรื่องนั้นเรื่องนี้สถานที่นั้นสถานที่นี้ถ้ามีพุโทโธพุโทโธคอยสกัดไว้คอยกันไว้ ใจก็ไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ใจก็จะว่างจะเย็นจะสบายเวลานั่งสมาธิก็จะสามารถเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วนนี่คือขั้นตอนแรกของการที่เราจะหยุดความอยากที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบหยุดการมตัญหาหยุดภาวะตัญหาหยุดวิภาวะตัญหา ที่จะพาให้เรามาเกิดในการมาพบรูปภพและอรูปภพแต่เป็นการหยุดแบบชั่วคราวในขณะที่จิตสงบนิ่งในสมาธิความอยากทั้งสามนี้ก็จะหายไปใจก็จะสัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแต่ก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในสมาธิได้อย่าง ตลอดเวลาเพราะว่าจะต้องมีการออกมาดูแลเรื่องของร่างกายร่างกายยังต้องมีการดูแลเลี้ยงดูอยู่ต้องขับถ่ายอยู่ต้องทำอะไรต่างๆอยู่พอออกจากสมาธิมาเอามาสัมผัสกั บ, กบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆหรือมาคิดถึงเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็อาจจะเกิดความอยากเกิดขึ้นมาได้ทันทีถ้าอยากที่จะให้ความอยากนั้นหายไปอย่าง ถามวันก็จําเป็นที่จะต้องใช้การปฏิบัติขั้นปัญญาขั้นปัญญาปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปรตสัมมาทิฏฐิก็คือให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้นั้นล้วนเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาเป็นใจลักณ์เป็นของชั่วคราวเป็นความสุขชั่วคราวเช่นความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถะนี้ก็เป็นความสุขแบบชั่วคราว ความสุขที่ได้จากรูปประชานหรื อ, อรูปประชานก็เป็นความสุขแบบชั่วเก่าเวลามันเสื่อมเวลามันหมดไปความสุขนั้นก็จะจางหายไปแล้วสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์แล้วก็คือแล้วก็ความอยากก็จะตามมาใหม่เมื่อมันหมดไปเสื่อมไปก็มีความอยากที่จะได้มาใหม่ความอยากมันก็จะไม่มีวันหายไปถ้าเราไปหาความสุขจาก กามาคุณ5ไปหาความสุขจากรูก ป, ประชานหรืออรูปประชาน <roid> เราต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์การมาสุขนี้เป็นทุกข์ความสุขจากรูกประชานก็เป็นทุกข์ความสุขจากอรูปประชานก็เป็นทุกข์ให้เราละความอยากเหล่านี้เสียฝืนความอยากด้วยการทําใจให้นิ่งเฉยให้อยู่กับความนิ่งเฉยไป <roid> ไม่ต้องไม่ต้องเข้าฌานไม่ต้องเข้าสมาธิเพียงแต่ให้มีสติคอย หยุดความอยากให้ได้ถ้าฝืนความอยากได้ต่อไปความอยากก็จะหายไปหมดไปแล้วก็จะไม่กลับมารบกวนใจต่อไปถ้าเห็นด้วยปัญญาว่าการไปทำตามความอยากนี้จะนำไปสู่ความทุกข์มากกว่า น, นำไปสู่ความสุขก็จะไม่อยากจะไปไม่อยากจะมีความอยากอีกต่อไปแล้วต่อไปใจก็จะหมดความอยากไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจต่อไป เมื่อไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจก็จะไม่มีผู้ที่จะมาดึงใจให้ไปเกิดในในตายภพอีกต่อไปไม่มีการมตัณหาก็จะไม่ไปเกิดในการมภพบไม่มีภาวะตัณหาก็จะไม่ไปเกิดในรูปภพไม่มีวิภาวะตัณหาก็จะไม่ไปเกิดในอรูปภพผู้ที่ไม่ไปเกิดในตายภพก็คือผู้ที่อยู่ในพระนิพพานนี่พระนิพพานก็คือจิตใจที่สะอาดบริสุทธ อาจจาความยากต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถที่จะปฏิบัติได้ถ้ามีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามีความขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติมรรคแให้สมบูรณ์สร้างมรรค8ขึ้นมาถ้ายังไม่มีศีลก็พยายามสร้างศีลขึ้นมา เบื้องต้นก็สร้างศีลห้าขึ้นมาก่อนรักษาศีลห้าไปแล้วพอวันพระก็มารักษาศีลแปดเพราะว่าเบื้องต้นนี้อาจจะยังไม่มีกำลังที่จะรักษาศีลแปดไปได้ทุกวันก็เริ่มเริ่มที่วันพระก่อนรักษาศีลแปดเพื่อที่จะได้มีเวลาให้กับการมาปฏิบัติสติและสมาธิและปัญญาพอได ได้ปฏิบัติสติสมาธิปัญญาอย่างต่อเนื่องพอได้สัมผัสกับผลแล้วใจก็จะมีกำลังมากขึ้นต่อไปก็จะสามารถปฏิบัติวันเพิ่มมากขึ้นจากอาทิตย์ละวันในวันพระนี้ก็อาจจะเพิ่มเป็นสองวันสามวันแล้วเมื่อได้มีการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นผลก็คือความสงบสุขของใจก็จะมีมากขึ้นไปตามลำดับ เมื่อมีมากขึ้นไปตามลำดับก็จะมีกำลังใจที่อยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปก็อาจจะสามารถออกไปอยู่แบบนักบวชได้เลยนพระอาหาันตสาวกทั้งหลายนี้ท่านก็ไม่ได้มาเกิดเป็นนักบวชกันท่านก็เกิดมาเป็นคารว์ผู้คลองเรือนเหมือนพวกเราแต่หลังจากที่ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังถึงเรื่องของความสงบสุขของใจว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เกิดมีศรัทธาความเลื่อมใสที่จะไปฝึกขัดไปฝึกขัดรักษาศีลห้ารักษาศีลแปดไปฝึกไปฝึกขัดเจริญสตินั่งสมาธิแล้วพอปฏิบัติได้ผลดีใจมีความสุขเพิ่มมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงไปก็จะทำให้เกิดมีกำลังใจมากขึ้นมากขึ้นไปตามลาดับจนในที่สุดก็พร้อมที่จะไปอยู่แบบนักบวชได้ เพราะเห็นว่าไม่มีอะไรจะมีคุณค่ากับการอยู่แบบนักบวชเพราะการอยู่แบบนักบวชนี้จะสามารถทาให้มีเวลาให้กับการปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มเต็มร้อยเต็มที่เมื่อมีการปฏิบัติอย่างเต็มร้อยเต็มที่การหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเช่นในสติปัฏฐานสูตรนี้พระพุทธเจ้าก็ท่งแสดงไว้ว่า ถ้าสามารถปฏิบัติตามในสติปัฏฐานสูตรได้หรือเจริญสตินั่งสมาธิทําใจให้สขขงบเข้าฌานได้แล้วจเจริญปัญญาพิจารณาปล่อยวางน่างกายปล่อยวางเวทนาปล่อยวางจิตได้ mm hmm. ก็จะสามารถบรรลุธรรมได้ภายในถ้าถ้าไม่เจ็ดวันก็เจดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจดปีสามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอน เพราในสมัยพระพุทธการสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกนี้เพียงแต่ระยะเพียงระยะหเดือนเจ็เดือนเท่านั้นคือทรงแสดงธรรมในวันเพ่นเดือนหอันในวันเพ่นเดือน8ที่เป็นวันอาสาลหาบูชาเป็นครั้งแรกที่มีการสั่งสอนธรรมะให้กับผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์อพอทรงแสดงไปนี่ในระยะเวลาเจดเดือนคือตั้งแต่ วันเพ็ญเดือน8มาถึงวันมาค่าบูชาวันเพ็ญเดือน3นี้ก็ปรากฏมีผ้าอรหันหนร้อรูปปรากฏขึ้นมาอยู่ในโลกนี้แล้วพระธรรมของพระธรรมคำสอนของพระเจ้านี้ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยแ ต, แต่ว่าผู้ปฏิบัตินี้ขอให้ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติอย่างเต็มที่เทนั้นปฏิบัติตามคำสอนแบบสุปฏิปโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ในภพนี้ชาตินี้เลยแต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่ผู้เจ้าจะทรงแสดงธรรมก่อนที่ผู้เจ้าจะตรัสรูน้นี้ไม่มีพระอรหันต์อยู่ในโลกนี้เลยแม้แต่คนเดียวแต่พอพระพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์องค์แรกเป็นพระอรหันตตัสา ม, มาสามพุทธเจ้าแล้วแล้วนำเอาทำคาสอนนั้น ความรู้อันประเสริฐที่ได้ทรงค้นพบวิธีที่จะทำให้ใจหลุดพ้นจากกองทุกนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่สนใจนเพียงระยะเวลาแค่เจ็ดเดือนก็สามารถผลิตพระอรหันตสาวกขึ้นมาได้ถึงหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปด้วยกันก่อนหน้านี้ผ้าเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอรหันได้เลยถ้าไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่พอมีคาสอนแล้วนี่เขา พระเหล่านี้ท่านมีความพร้อมอยู่คือท่านมีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์คือมีศีลมีศีลที่บริสุทธิ์แล้วท่านก็มีสมาธิท่านสามารถเข้าฌานขั้นต่างๆได้จึงเป็นภาชนะที่พร้อมที่จะรองรับคําสอนของพระพุทธเจ้าคือปัญญาพอพระพุทธเจ้าทรงสแสดงอริยสัจอริยาสาัจสี่มรรคแปดตายลักษณ์ให้กับผู้ที่ฟัง ท่านที่พูดที่ฟังเหล่านั้นก็สามารถนําเอาความรู้นี้มาดับความทุกข์ต่างๆมาหยุดความอยากต่างๆที่มีในใจได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว mm hmm. ดังนั้นขอให้เราอย่าประมาทในคําสอนของพระเจ้าอย่าไปคิดว่าเป็นของยากเย็นแต่อย่างใดเป็นของที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เพียงแต่ว่าขอให้มีศรัทธาความเชื่อแล้วก็ให้มีวิริยะ mm hmm. มีความภาคเพียร ที่จะศึกษาให้มากและปฏิบัติตามให้มากทั้งเองถ้ามีการศึกษามีการปฏิบัติให้มากแล้วเดี๋ยวการหลุดพ้นคือการบรรลุมรรคผลนนพานต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาเบื้องต้นก็รักษาศีลห้าไปก่อนรักษาศีลห้าวันธรรมดาเพราะเรายัางต้องไปทำงานทาการอยู่จะรักษาศีลแปก็อาจจะไม่สะดวกแลวก็ไม่จำเป็น เพรศีลแปดนี้มีไว้สำหรับสนับสนุนเวลาที่เราไปปฏิบัติธรรมเพื่อที่เราจะได้มีเวลาให้กับการปฏิบัติเต็มที่ถ้าเราถือเพียงศีลห้า น, นี้เรายังไปรับประทานอาหารหลังจากเชี่ยววันได้อยู่จะรับประทานวันละกี่รอบ ก, ก็ยังรับประทานได้อยู่แต่การรับประทานอาหารมากๆนี่จะเป็นผลไม่ดีกับการปฏิบัติธรรมเพราะว่าจะทําให้เกิดอาการง่วงเหงาหงนอนเกิดความเกลียดคลานขึ้นมา เวลานั่งสมาธิก็จะสบะงบเวลาจะเดินจงกรมก็ไม่มีเลี้ยวมีแรงที่อยากจะเดินเพราะกินมากก็อยากจะนอนมากกว่าถ้าอยากจะปฏิบัติธรรมโดยที่ไม่มีอุปสรรคจากการรับประทานอาหารก็ต้องรับประทานพอประมาณพอให้ดับความหิวได้ก็พออย่าไปรับประทานจนทั้งจนถึงให้มันอิ่มแล้วก็ไม่ต้องรับประทานบ่อยรับประทานวันละครั้งสองครั้งก็พอแต่ไม่ให้เกินเที่ยงวันไปแล้ว เพื่อที่จะได้เอาเวลาที่หลังจากเที่ยงวันนี้มาให้กับการปฏิบัติเจริญสตินั่งสมาธิแล้วก็เพิ่มศินข้อข้อ7คือไม่ให้ไปหาความสุขจากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะถ้าเราเอาเวลาไปเสบกับรูปเสียงกลิ่นรสเช่นสมัยนี้เรามีโทรศัพท์มือถือพอเราเปิดดูโทรศัพท์มือถือแล้วก็เห็นรูปได้ยินเสียงไปแล้วก็มีความเพลิดเพลินไป ก, กับการดูรูปฟังเสียงไป ใจเราก็จะไม่ไม่มีเวลาที่จะมานั่งสมาธิมาเจริญสติใจเราก็จะลอยไปกับเรื่องราวต่างๆของรูปเสียงกลิ่นรสทาให้ใจบางครั้งก็เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาเกิดความเครียดขึ้นมาได้<ม>ก็จะเป็นอุปสรรคต่อการที่จะมานั่งสมาธิและเวลาที่จะเจริญสติก็ไม่ค่อยมีเพราะเวลาไปดูไปดูไปฟังรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเสียดังนั้น ต้องระ ง, งับกา ร, การเสพรูปเสียงกลิ่นรสถ้าอยากจะเจริญสติอยากจะนั่งสมาธิเพื่อทําใจให้สงบต้องละการเสพรูปเสียงกลิ่นรสไปนี่คือศีลข้อที่เจไม่เสพรูปเสียงกลิ่นรสพวกมอหระศพ บ, บันเทงต่างๆแล้วก็ไม่เสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าอภร์ที่สวยงามและเครื่องสำอางต่างๆให้เพียงแต่ อาบน้ำเราท่าวีผ้าวีผอให้เรียบร้อยใส่เสื้อผ้าที่เป็นแบบเรียบง่ายเช่นชุดขาวหรือดำขาวเป็นต้นก็พอเพราะเสื้อผ้าก็มีไว้เพื่อปกปิดร่างกายท่านเองเราไม่ต้องการที่จะเอาเสื้อผ้ามาเสริมความสวยความดีของของตัวเราความดีที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าแต่อยู่ที่การประพฤติ ด, ดีประพฤติชอบต่างหาก ให้เอาเวลามาให้กับการประพฤติดีประพุทชอบด้วยการเจริญสตินั่งสมาธิสลับกันไปแล้วก็ไม่ให้นอนมากเกินไปเพราะว่าถ้านอนมากก็จะเสียเวลามีค่าไปนักปฏิบัตินี้ท่านสอนให้นอนวันละสีห้าชั่วโมงก็พอวิธีที่จะนอนไม่มากกนน็นอนบนพื้นที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีฟูกหนาหนาพอนอนบนฟูกหนาหนามันจะมันจะสุขจะสบาย เวลาที่ร่างกายได้พักผ่อนพอสี่ห้าชั่วโมงตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะลุกอยากจะนอนต่อไปก็อาจจะนอนต่ออีกสองสามชั่วโมงก็จะทาให้เสียเวลามีค่าของการปฏิบัติไปนี่คือมาตรการที่จะช่วยเสริมในการปฏิบัติสร้างสติสร้างสมาธิเพื่อที่จะมาชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ชระความอยากทั้งสามคือการมาตัญหาภาวะตัญหาและวิภวะตัญหา ไห้หมดสิ้นไปจากใจจําเป็นที่จะต้องมีสติมีสมาธิสตินี้มีไว้กํากับคอยควบคุมใจควบคุมความคิดไม่ปล่อยให้ใจคิดเพราะถ้าปล่อยให้ใจคิดแล้วใจก็จะฟุ้งซ่านขึ้นมาเวลานั่งสมาธินี้จะไม่สามารถนั่งได้นานนั่งไปสักพักนึงก็เกิดอาการอึดอัดเกิดความตึงเครียดต่างๆขึ้นมาเพราะเกิดจากอาการจิตไม่สงบไม่นิ่งนั่นเอง แต่ถ้าเราอยากจะนั่งแนละ้วให้มัจิตนิ่งให้สงบเราต้องฝึกสติเจริญสติก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิคอยควบคุมความคิดคอยป้องกันความคิดด้วยการใช้คําบาลีคำพุทโธพุทโธการอาไว้พอลืมตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปไม่ว่าจะทําอะไรก็พุทโธพุทโธไปถ้าเราไปปฏิบัติธรรมนี้เราก็ไม่มีเรื่องอะไรที่เราจะต้องคิดเพราะเราไม่ต้องไปทํางานไม่มีคนที่เราจะต้องไปคิดถึงเพราะเราไป ไปเพื่อที่จะไปทําใจให้นิ่งทําใจให้สงบการควบคุมความคิดก็จะง่ายกว่าการเวลาที่เราไปทํางานวันที่เราไปทํางานนี้การจะควบคุมความคิดนี้มันจะยากเพราะว่าเราจะต้องเจอคนนั้นเจอคนนี้แล้วเราก็ต้องคิดถึงเรื่องคิดถึงเรื่องงานเรื่องการต่างๆการที่จะเจริญสติเพื่อหยุดความคิดนี้จึงเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยแล้วถ้าจะ เวลากลับมาจากงานจะมานั่งสมาธิมันใจก็ยังมีเรื่องข้างๆอยู่ในใจอยู่เวลานั่งสมาธิเรื่องต่างๆที่ข้างๆในใจมันก็โผล่ขึ้นมาคอยคอยกั้นไม่ให้ใจเข้าสู่ความสงบได้แต่วันที่เราไม่ไปทำงานนวันที่เราหยุดแล้วเราไปหาที่สงบส ง, บสงัดวิเวกปฏิบัติธรรมนี้เราจะไม่มีเรื่องราวต่างๆมาคอยรบกวนใจการจเจริญสติเพื่อระงับความคิดต่างๆ ที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายดายพอใจมีมีสติคอยควบคุมความคิดได้พอเวลามานั่งเฉยๆใจก็จะนิ่งสงบได้ทําไมถึงต้องนั่งทําไมเดินหรือยืนไม่ได้หรือเดินเดินหรือยืนก็ได้แต่มันจะไม่สงบเท่ากับเวลานั่งเพราะเวลาเดินหรือยืนนี้ใจต้องทํางานใจต้องสั่งให้ร่างกายยืนสั่งให้ร่างกายเดินเดินไปเดินมา แต่เวลานั่งเฉยๆนี่มันไม่ต้องสั่งร่างกายให้ทําอะไรเวลายืนยืนเฉยๆก็ได้แต่ยืนเฉยๆมันจะยืนไม่ได้นานแล้วมันจะเมื่อยสู้นั่งไม่ได้นั่งนี้สามารถนั่งได้นานเป็นชั่วโมงชั่วโมงได้สามารถทำใช้จิตนิ่งได้เต็มที่แต่การเดินก็จําเป็นเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะนั่งได้ทั้งวันทั้งคืนเมื่อนั่งไปสักระยะหนึ่งร่างกายก็อาจจะเกิดอาการปวดเมื่อยตาม ส่วนต่างๆบางทีก็ต้องเปลี่ยนอิเลียบทจากการนั่งสมาธิมาเดินสมาธิกันการเดินจมกลมนี้ก็คือการเดินสมาธินั่นเองก็เหมือนก็เหมือนกับการนั่งเรายังใช้พุโทโธพุธโทโธอยู่เแต่ว่าเราใช้ร่างกายให้เคลื่อนไหวไปมาเพราะว่าร่างกายนั่งไปนานๆแล้วมันจะปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆก็เลยต้องมีการเปลี่ยนมีการบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆโดยการเปลี่ยนอิรลียบทมาเป็นการเดิน แต่เวลาเดินเราก็ต้องมีจะมีการเจริญสติอย่างต่อเนื่องก็เหมือนกับการนั่งสมาธิเพียงแต่ว่าจะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่แต่ก็จะทำให้ใจเบาใจบางความคิดน้อยลงไม่มีเรื่องวุ่นวายต่างๆเข้ามารบกวนใจพอหลังจากที่เราได้เดินพอสมควรนะรู้จักรู้สึกสบายแล้วอยากจะกลับมานั่งเราก็กลับมานั่งต่อกลับมานั่งแล้วก็มาเจริญพุโทโธพุโทโธต่อไป สลับทํากันไปอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนแล้วไม่ช้าก็เร็วใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอเวลาเข้าสู่ความสงบแล้วความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจมันก็จะหายไปชั่วคราวเหมือนกับได้เข้าสู่พระ น, นิพพานชั่วคราวความสงบของสมาธินี้เป็นเหมือนนิพพานชั่วคราวคือตอนนั้นจิตก็ไม่มีกิเลสตัณหาถ้าออกมาทางาน พาะถูกกำนาของกำลังของสมาธิคอยกดเอาไว้แต่ยังไม่ตายสมาธินี้ท่านเปรียบเหมือนกับหินทับหญ้าหินที่ทับหญ้าไว้ก็จะกันไม่ให้หญ่างอกเยขึ้นมาได้แต่เวลาเอาหินออกจากหญ้าไปไม่นานพอหญ้าได้ได้น้ำได้แดดมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่ได้เพราะรากของมันยังมีอยู่ฉะนั้นเวลาเข้าสมาธินี้ก็ไม่สามารถที่จะกำจัด ความอยากต่างๆได้อย่างถาวรเพราะว่ายังไม่ได้ถอนรากโคนของของความอยากรากโคนของความอยากก็คือความหลงโมหะอวิชชาที่ไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้นั้นเป็นทุกข์เพราะว่าไม่เที่ยงเป็นไม่มีไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราต้องใช้ปัญญาถึงจะสามารถที่จะถอนรากโคนของความของความอยากได้ก็ต้อง ก่อนจะทําได้ก็ต้องผ่านขั้นสมาธิไปก่อนต้องสามารถทําให้จิตสงบและเห็นคุณค่าของการทําความสงบเห็นคุณค่าของการไม่มีความอยากว่ามันดีกว่าการมีความอยากเวลาไม่มีความอยากเวลาความอยากไม่ทํางานนิจใจนิ่งเย็นสบายแต่พอเริ่มพอจากสมาธิมาพอเริ่มมีความอยากใจก็เริ่มมีอาการเคลื่อนไหวนะใจก็เริ่มมีการกระเพื่อมขึ้นมามีความรู้สึกเ อ, อรู้สึก อยากได้นู่นอยากได้นี่เกิดความหิวเกิด<ม>ความอยากขึ้นมาเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาก็<ม>จะเริ่มเห็นโทษของความอยากแล้วก็อยากจะกำจัดความอยากให้มันหมดไปจากใจการอยกจะกำจัดความอยากก็ต้องพิจารณาสิ่งที่ใจอยากเช่นอยากอยากได้อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอย่างนี้เป็นตน้นแต่ก็ไม่สามารถทำให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ เวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายจะตายก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ใช่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายถ้าไม่อยากจะทุกข์กับร่างกายไม่อยากจะทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องยอมยอมยอมยอมรับความจริงยอมรับว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย แล้วก็ไม่ฝืนไม่อยากให้ไม่ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอฝืนได้หยุดความอยากได้ใจก็จะไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายต้องพิจารณาว่าร่างกายนี้มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนไม่มีใครหักห้ามมันได้แต่เราไม่สามารถเราไม่จําเป็นจะต้องไปทุกกับมันได้เพราะถ้าเรารู้ว่าใจของความทุกข์ใจของเรานี้เกิดจากความอยากของเราเอง อยากให้ร่างกายไม่แก่ compra, ไม่เจ็บไม่ตายเพราะเราอยากให้ร่างกายนี้อยู่ไปนานๆเพราะเราอยากจะใช้ร่างกายเป็นเครื spannend, ่องมือในการหาความสุขเพราะเรามีการมาตัณหาความอยากจะเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆและการจะเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้เราก็ต้องมีตาหูจมูกนิ้นกายก็ต้องมีร่างกายถ้าร่างกายเป็นอะไรไปไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเสบรูปเสียงกลิ่นรสได้เราก็จะทุกข์เราก็จะ ไม่มีความสุขเพราะว่าเราเป็นเหมือนคนติดยาเสพติดรูปเสียงกลิ่นรสนี่มันเป็นเหมือนยาเสพติดและเครื่องมือที่ยาเสพก็คือร่างกายเราจึงรักร่างกายหวงร่างกายอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเกินความเป็นจริงไม่สนใจความเป็นจริงว่าเป็นอย่างไรเลยก็เลยทำให้ใจเราทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยง เราจะไม่สามารถที่จะห้ามไม่ให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เพราะมันเป็นธรรมชาติปรากฏการทางธรรมชาติอย่างหนึ่งไม่มีตัวมีตนไม่ใช่ตัวเราของเราที่เราจะไปบังคับกันได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับร่างกายเราก็ต้องปล่อยวางร่างกายยอมให้ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายไปพอเราปล่อยได้เท่านั้นใจเราก็หายทุกข์ขึ้นมาทันทีอันนี้คือการใช้ปัญญาสอนใจ ให้เห็น <favorite> ว <item urry> ่า <that> ส <favorite day> ิ่งที่ใจอยากนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นของชั่วคราวแต่ใจมักอยากจะให้สิ่งที่ที่ใจมีใจรักใจชอบนี้เป็นของถาวรเป็นนิจจังสุขขังอนัตตาแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นนิจจังสุขขังอนัตตาทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นตายรักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วความอยากก็จะหายไป พอรู้ว่าอยากไปก็ไม่เป็นไม่เป็นผลแต่อย่างใดอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนิจจังสุ ข, ขังนัตตาแต่ความเป็นจริงมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วการไปอยากให้มันเป็นนิจจังสุ ข, ขังนัตตาก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจโดยใช่เหตุอันนี้คือการพิจารณาด้วยปัญญาเพื่อถอนรากของความอยากต่างๆร า, ากของความอยากก็คือโมหะอวิชชาความหลงความไม่รู้ความจริงของสิ่งต่างๆ ว่าเป็นายรักนั่นเองพอเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นายรักใจก็จะปล่อยวางได้เพราะถ้าไปอยางให้มันไม่เป็นใจรักมันก็จะทาให้ใจทุกข์ขึ้นมาโดยใช่เหตุต่อไปความอยากต่างๆที่มีในใจก็จะถูกทำลายไปหมดด้วยปัญญาเพราะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ความอยากต้องการนิรวนเป็นใจรักเช่นการมาคุณห ก, ก็เป็นใจรักรูปประชานารูปประชานก็เป็นายรัก อย่าไปอาศัยอย่าไปเสพสิ่งเหล่านี้เพราะเมื่อเสพสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะต้องเจอความทุกข์ไม่ช้าก็เร็วเพราะมันไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้อย่างถาวร น, นั่นเองนี่คือขั้นของปัญญาที่จะสามารถกำจัดความอยากทั้งสามที่พาให้ใจต้องมาเวียนว่ายตายเกิด ใ, ในในตายพบได้ตัดการมาตัหาตัดภาวะตันห า, ต, ต, นหาตัดวิภาวะตันหา ตัดความอยากเสพรูปเสียงกินรสตัดความอยากจะเสกรูปประชานตัดความอยากจะเสพแล้รูปประชานได้การเวียนว่ายตายเกิดในตายพบก็จะไม่มีอีกต่อไปอใจก็จะไม่ต้องมาทุกกับการเกิดการแก่การเจ็บการตายอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นเกิดมากี่ครั้งก็ยังต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะความอยากมันไม่มีวันหมดความอยากจะหมดได้ก็ต่อเมื่อเราใช้สติใช้ปัญญาปฏิบัติชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เท่านั้น นี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงแสดงสั่งสอนพระผู้ที่ต้องการปรารถนาจะหลุดพ้นจากความทุกข์และทรงสอนให้พระอาหานตัสาวค1 2ก0นึ่อราูปไว้เป็นการเน้นเป็นการย้ำว่าทําสอนที่ถูกต้องนั้นต้องต้องมีอย่างนี้คือการละ ก, การกระทามบาปทั้งปวงการสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม การชำระจิตใจให้สะอาดรบริสุทธิ์นี่คือวิธีสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์เป็นทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นถ้าใครอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ต้องละการกระทำบาปสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมแล้วก็ชำระจิตใจให้สะอาดรบริสุทธิ์ถ้าทำได้แล้วจิตใจก็จะหลุดพ้นจะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเด็กต่อไป<ม>ในวันมาฆบูชานี้ การชาวพุทธเราก็มักจะมีการบูชาพระคุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์การบูชาในพระพุทธศาสนานี้ก็มีอยู่สองแบบด้วยกันแบบเรียกเรียกว่ามะอามิสบูชาและแบบที่สองเรียกว่าปฏิบัติบูบชาอามิสบูชาคือการบูชาด้วยการทําบุญทำทานรักษาศีลห้าอันนี้เรียกว่าเป็นอามิสบูชาถวายข้าวของเงินทองให้กับวัดกับวาให้กับพระสงฆ์ถวาย จะตัวปัจจัยไทยทานสิ่งที่จำเป็นต่อการนำลงชีพช่วยกันสร้างถาวรและวัตถุต่างๆเช่นโบสถ์ท่านเจดีพระพุทธรูปต่างๆแล้วก็รักษาศีลห้าอันนี้ก็เป็นการบูชาขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองก็คือการบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไปปฏิบัติธรรมเจริญสตินั่งสมาธิจเจริญปัญญาให้เกิด ให้มีดวงตาเห็นธรรมการบูชาสองชนิดนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัดว่าการบูชาด้วยการปฏิบัติบูชานี้เป็นการบูชาที่ดีที่สุดแต่ถ้ายังไม่สามารถปฏบบิบัติบูชาได้ก็ขอให้บูชาด้วยอมิสส บ, บูชาไปก่อนด้วยการรักษาศีลห้าด้วยการทําบุญทําทานคือทำสองข้อแรกที่ทรงสอนให้ปฏิบัติคือละการกระทําบาปทั้งปวงสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม ก็จะได้อามิตบูชาได้บูชาขั้นที่หนึ่งถ้าอยากจะบูชาขั้นที่สองก็ต้องใช้การปฏิบัติบูบชาคือการชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการบําเพ็ญจิตตภาวนาเจริญสตินั่งสมาธิเจริญปัญญาจิตใจก็จะสาหาดบริสุดจิตใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็คือเรื่องราวของวันมาค้าบูชาที่เอามาฝากท่านในวันนี้ ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาถาวาริวาหาปุราปิลิปุรังติสาขังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปการปติอิชิตังปะทิตังตุมหังทิปเมวะสมิจตุสัพเพภุรงตุสังกปา จันโทปนาระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีธีขายุโกภวะอภิวาทนัสสิลิสานิจจังวุฒาปะจายิโน จตาโรโธรมมาวาทานติอายุวโนโสุขังภาลังต่อไปนี้ก็เหลือเวลาเพีงเล็กน้อยอาจจะถามตอบได้ไม่กี่คำถามแต่ใครอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ วันนี้ผู้ติดตามจากทางเฟซบุ๊ก427ย t u b บพระอาจารย์สุชาติไลฟ์437ยู u ูบด็อกเตอร์วี73วิทยุออนไลน์17คลับเฮาส์4ผู้รับฟังนาคกุฏิ411รวมทั้งหมด 1,369 ค่ะถ้ามีคำถามก็ถามได้เลยคงจะไม่ได้มากเพราะเวลาใกล้จะหมดแล้ว คำถามจากผู้รับฟังนากุติค่ะสมาธิจากการทํางานสมาธิจากขณะออกกําลังกายสมาธิจากการดูลมหายใจทั้งสมอย่างต่างกันอย่างไรคะต่างกันตรงที่ความคิดมีความคิดมากน้อยต่างกันถ้ามีความคิดน้อยก็จะได้สติมากถ้ามีความความคิดมากก็จะได้สติน้อยเป้าหมายของการจยันสติเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อหยุดความคิด พอเวลานั่งสมาธิจิตจะได้สงบได้แต่ถ้าเวลาเราทำงานเรามสมาเสติอยู่กการทำงานเราก็ต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับการทำงานเวลานั่งสมาธิก็ไม่สามารถหยุดความคิดได้หยุดจิตได้ต้องเป็นสติแบบไม่คิดอะไรแค่ น, นั่งดูลมหายใจเข้าออกไปเพียงอย่างเดียวคำถามจากท่านต่อไปค่ะถ้าเวลาที่เราออกจากสมาธิแล้วเรามีเครื่องอยู่ พรหมวิหารรมคือดูกายดูร่างกายที่เคลื่อนไหวเช่นงอคู้ก้มยอ่อแต่เราไม่บริกรรมพุทโธการดูกายแบบที่ทำอยู่นี้จําเป็นต้องใส่ใจถึงอาการเย็นร้อนอ่อนแข็งไหวตึงซึ่งเป็นลักษณะของท่าสีด้วยไหมคะการรู้แค่การเคลื่อนไหวของร่างกายไม่พอใช่ไหมคะพอให้รู้เฉยๆไม่ให้ไปคิดอะไร อย่าไปคิดว่าร้อนเย็นหนาวแข็งอ่อนเลยไม่ต้องคิดอะไรให้รู้เฉยๆให้เฝ้าดูเป็นที่ผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆคำถามจากทางยูท b e พระอาจารย์ไลฟ์ค่ะถ้าเราดูวิดีโอการผ่าศพ บ, บ่อยๆให้เกิดความจำในภาพนั้นเพื่อมาพิจารณาอัุภะแบบนี้ได้ไหมครับได้ดี ขอให้มันจําได้เทนั้นแหะเวลาเกิดการอารมณ์จะได้ใช้ดับมันได้คําถามจากคุณปาริาทาธาค่ะถ้าเราเอาอาหารไปให้แมวจรกินทุกวันถือเป็นการทําบุญหรือทําทานคะเป็นการให้ทานแต่ก็เป็นบุญผลการเหตุคือทานการให้ผลคือบุญความสุขใจไม่ว่าจะให้ใครก็ได้บุญเหมือนกันให้พระก็ได้บุญให้สุนัข ก, ก็ได้บุญ คำถามจากคุณช้างค่ะอา น, นิสง์ของการปฏิบัติธรรมในวันพระใหญ่เช่นวันนี้กับวันพระทั่วไปหรือวันธรรมดาต่างกันหรือไม่อย่างไรคะไม่ต่างกันหรอกอยู่ที่ว่าเราทํามากทําน้อยเท่านี้ทำมากก็ได้ผลมากทําน้อยก็ได้ผลน้อยไม่ได้อยู่ที่วันคําถามจากทาง youtube ดรวีค่ะจากคุณใบหยก การที่ลูกรับรู้สภาวะจิตคู่สนทนาเหตุเพราะการปฏิบัติที่มีจิตละเอียดขึ้นใช่ไหมเจ้าคาพอรับรู้ก็เลยไม่ไปวุ่นวายจึงกลายเป็นคนชอบปลีกตัวอยู่ลำพังกลับสบายใจมากกว่าเจ้าะ่ะแสดงว่ามีสติมากมีความสงบมากก็เลยไม่หิวกับอารมณ์ต่างๆอยู่คนเดียวสบายกว่าอยู่กับความสงบเป็นความสุขที่ดีที่สุด คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะจากคุณประพันธ์คนที่ทำบุญใส่บาตรและอุทิศบุญกุศลได้บุญมากกว่าคนที่ทำบุญใส่บาตรแล้วลืมอุทิศบุญกุศลไหมครับไม่ต่างกันนะพเพียงแต่ว่าถ้าอุทิศคนที่รอรับก็จะได้รับถ้าไม่อุทิศคนที่รอรอรับก็จะไม่ได้รับถ้าอุทิศแล้วก็จะได้บุญที่เกิดจากการอุทิศอีกชั้นหนึ่งด้วย คำถามจากทาง YouTube ค่ะจากคุณชัยฝันผมไปปฏิบัติธรรมที่วัดใช้เวลานั่งสมาธินานๆเพื่อให้จิตรวมและไม่ได้ออกไปสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นได้ไหมครับก็อยู่กับกฎระเบียบของวัดน้อขออนุญาตเขาเพราะว่าถ้าไปอยู่กับวัดแล้วเขาก็มีกฎมีระเบียบที่จะต้องปฏิบัติตามถ้าเขาอนุญาตให้อยู่คนเดียวได้ไม่ต้องไปยุ่งก็ขึ้นอยู่กับการอนุญาตของวัดเขาต้องถามเขาก่อน คำถามจากทางเฟ e บ o o กค่ะจากทุนเ k คข้อหนึ่งเคยได้ฟังธรรมจากทางหลวงตา c อมชีวิตจิตใจดีขึ้นไม่ค่อยฝันร้ายจนมาปัจจุบันเวลาเครียดมักฝันว่าหลงไปในบ้านหรือตึกซับซ้อนน่ากลัวบางทีมีคนแปลกหน้าหาทางออกแทบไม่เจอแต่สุดท้ายออกพ้นมาได้ทุกที ไม่ทราบว่านี่คือสัญญาณในอดีตชาติหรือเหตุการณ์ที่จะเจอในชาตินี้หรือสภาพจิตเราในชาติปัจจุบันคะที่ยังว น, นเวียนอยู่กับการยังไม่บรรลุธรรมท่านข้าน้อ ย, ยควรทำใจพิจารณาทำอย่างไรจึงหลุดพ้นสภาวะดังกล่าวเพียงแต่พิจารณาว่าเป็นตายรักไปเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับ อนัตตาละห้ามขาไม่ได้ให้ดูเขาว่าเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเหมือนฟ้าร้องฟ้าแลบปล่อยเข้าไปเข้ามาก็ปล่อยเข้ามาเขาไปก็ปล่อยเข้าไปไม่ต้องไปสนใจว่าเขาเป็นอะไรอย่างไรข้อสองค่ะเดือนที่แล้วมีเรียนเวิร์คช็อปทำอาหารต้องเตรียมปลาทับทิมที่อยู่บนเขียงลักษณะเหมือนตาย แต่มีคนบอกว่าตัวนี้ยังไม่ตายแต่ตั้งใจจะไม่ทำงานที่ผิดศีลอขอโทษขยาวมากเลยค่ะทามไปกันแล้วกันเวลาไม่ค่อยมีวันนี้ทำท่านี้ก่อนแล้วกันหมดแล้วอยังคำถามเลยนี่อีกค่ะคาถ า, ถามจากทงางยูทูบค่ะจากคุณบรรเจิด ถ้าตายแล้วเราสั่งลูกไว้ไม่ต้องจัดงานศพให้หาวัดและเผาวันนั้นเลยไม่ต้องให้ใครเดือดร้อนมางานศพถ้าทำอย่างนี้จะเป็นอะไรไหมครับและผิดหลักของพระพุทธศาสนาไหมครับไม่ผิดหรอกเวลาตายไปแล้วร่างกายจะไปทำปุ๋ยก็ได้ทำอะไรก็ได้ไม่มีไม่มีกฎตายตัวว่าจะต้องทาอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้วแต่เราจะพอใจให้ทำอย่างไรก็ทำได้